จบเสียงอ่านสู่แสงสว่างเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณการศึกษาชีวิตหลังความตายหรือชีวิตของโอปปาปติกะผ่านความฝันเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่า น, นั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาผู้ร่วมจัดทาอีกดังต่อไปนี้ครอบครัวโลติวิกุลครอบครัวภูมิประสบปัญญาโกจัน พลพอรอภิวัฒนาเสวีกิติพรตรีสุภาการรัตนนลพุ่มพวงมุทิตาจินากรจันทนาสราเสือกุลนภัชชาทวินกมลพัฒันคนามนธาทิบกุลพิมชนกพิทักษรัตนปอดีนภพาพรปัญญารัตนคุณากรและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปนะครับสัพพท า, านังธรรมะทานังชินนาติการให้ธรรมะ ช น, นะการให้ทั้งปวงสนใจสร้างมหาธรรมทานในเรื่องต่อไปร่วมกันดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage โจโชเสียงธรรมโจโฉดอทเนตนะครับ